มันไม่มาเป็นอสุภะสัทีเพราะฉะนั้นคนนั้นก็เลยพิจารณาอันนั้นไม่ได้ก็เลยต้องต้องต้องหยุดอันนี้เลยต้องไปใช้เรื่องอื่นคราวนี้เอาเรื่องอื่นเนี่ยมาพิจารณาแทนเพื่อที่จะ อ, อุปมาอุปไมยแล้วก็เปรียบเทียบให้จิตเราเนี่ยจางคลายลงมาได้เพราะฉะนั้นอย่างที่เมกีเนี่ยบางคนบอกว่าเออถ้าสมมติว่ารักว่าชอบ คนนี้ใช่ไหมแต่ให้พิจารณาบุคคล น, นี้แล้วเราพิจารณาเป็นอะไรอะ่ะความน่าเกลียดความไม่สวยไม่งามพิจารณาไม่ออกวันบางทีเราก็ไปใช้อย่างอื่นและเข้ามาชดเชยเข้ามาทดแทนแม้ว่ามันจะไม่ตรงประเด็นทีเดียวแต่ช่วยได้เพราะอย่างเช่นบอกแล้วไปใช้กับอาหารการกินสมมุติน ะ, ะรู้แลเรารู้แลอะไรอาหารแบบไหนเป็นสุภาพ อาหารแบบไหนเป็นราค ะ, อะพอเรารู้ใช่ไหมถ้าคุณกินตามที่คุณอร่อยตามที่คุณชอบเป็นเป็นราคะใช่ไหมเป็นราคะในอาหารหรือว่าเป็นสุภาษในอาหารเป็นความยินดีเป็นความสวยงามเป็นคําชอบในอาหารนั้นตอนนี้พอเราจะฝึกกับอาหารเนี่ยแหละฝึกให้มันเป็นอสุภาษโดยที่คราวนี้เริ่มทดลองไง ทดลองยังไงกับอาหารที่ที่เราชอบกินอาหารที่เราสวยงามพวกนี้เป็นยังไงฮะไม่เคยฝึกกันเลยเหรอฮะอย่างเช่น เ, เราชอบกินกว๋วยเตี๋ยวจะทำยังไงกว๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยเขาทำมาให้เราแล้วปกติโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ชอบมากเลยกินไม่อั้นนะต่นี้จะทำยังไง กับก๋วยเตี๋ยวชามนี้เนะสียสละให้คนอื่นอ่า น, นั้นก็ไดนะ้อย่างหนึ่งแล้วแต่ให้คนอื่นไปเลยนี่บางทีน่าเสียดายทำลงหรเปล่า <c oughs> นะให้เข้าไปเลยดีโอ้โหนะบางทีบางคนชักกระเยา อ, อยู่นั่นแหละไม่รู้จะให้ดีไม่ให้ดี <c oughs> ก็ถูกแล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าไปเนี่ยที่แม่เราสูญเสีย ถ้าเอามาเนี่ยมันเป็นราคะใช่ไหมเป็นความยินดีเป็นความชอบใจให้เข้าไปเนี่ยเออมันเป็นอสุภะได้อันนั้นประเด็นหนึ่งละเอาแต่ตอนนี้อา้าวบางทีเนี่ยให้ไม่ลงทำไงอ่ะอ้าเพราะนั้าวนี้ก็บอกเลยที่เราก็ฝึกกันมาบอกว่าเอ๊ะทำไมพวกเรานึกกันไม่ออกนะก็แทนที่จะกินแต่กว๋วยเตี๋ยว น, นั่นแหะใช่ไหมก็เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินเข้าไปก็ลงไปในทองใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณกินอะไรอีกนอกจากกว๋วยเตี๋ยว บางทีเดี๋ยวคุณก็กินโยเกิร์ตใช่ไหมแล้วคุณกินอะไรอีกเอานอกจากกว๋วยเตี๋ยวแล้วอะกินอะไรเอากินผลไม้ใช่ไหมอ้าคุณจะเอาโยเกิร์ตบ้างคุณจะเอาผลไม้บ้างมาใส่กับกว๋วยเตี๋ยวได้ไหมแล้วก็กินทั้งๆที่ความเป็นจริงอะ่ะมันรวมอยู่ในชามหรือว่ามันรวมอยู่ในพุิคุณไะใช่ไหมมันก็รวมกันอยู่ดีอะ่ะหรือจะบางทีเนี่ยเคี้ยวอยู่ในปากเนี่ยมันก็โอ้โหคุกรวมกันอยู่ดีอะ่ะ อันเนี้ยนี่นของจริงเหมือนกันนะนี่ก็คือความจริงจะรวมในกระเพาะหรือรวมข้างนอกมันก็รวมเหมือนกันแต่เราเองที่เราจะไม่ยอมรับใช่ไหมเพราะเราเราจะยินดีเลยจะพอใจจะกินเพลียวๆอย่างเงี้ยจะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะถ้าให้ปนไอ้โดนปนไอ้นี้เข้าไปด้วยไม่อยากกินอะ่ะเพราะว่าถ้าปนเข้าไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอสุภะและ้วแต่ในขณะที่เรากินคราวนี้ถ้าปนเข้าไปใช่ไหมคุณก็จะเริ่มไม่ชอบ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 เพตอนนี้พอเรากินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปคุณก็พิจารณาแล้วไหนว่าชอบไงก็ไอ้ ก, ก๋วยเตี๋ยวชามเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนชามเลยอะใช่ไหมคุณก็ปรุงมาคุณก็เคยปรุงยังไงก็ปรุงมาสิเอเสร็จแล้วตอนนี้ก็กินเพียงแต่ว่า ม, ม, มันมีอย่างอื่นเข้ามาปนด้วยอมันไม่อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นที่เราติดอะเราติดเพราะอะไรกันแนะ่เราติดเพราะอะไร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 เราเคยกินบางทีเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นะกินทีไรก็อร่อยทุกทีกินทีไรก็อร่อยทุกทีแต่บางครั้งมีเหมือนกันมา ก, ก, กินแล้วก็ไม่อร่อยอเพราะฉนั้นเพราะอะไรเขานี้ไม่อร่อยไ อ, ไอเจ้าของมาจะทําได้เหมือนเดิมนะแต่วันนี้จริงๆแล้วอารมณ์เราไม่ดีใจเราไม่ดีเราก็เลยไม่อร่อยเพราะฉะนั้นคราวนี้ชัดชัดชัดชัด อ, อีกแล้วนะว่าบางทีนี่มันไม่ได้อยู่ที่ไก๋วยเตี๋ยวชามนั้นนะมัน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 เพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยแต่เมื่ออย่างเงี้ยเราพิจารณาอย่างนี้เราเข้าใจได้เนี่ยมันจะลดตัวที่เราจะไปติดเราจะไปยึดสิ่งนั้นถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวต้องกินแต่กว๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ไป็อย่างอื่นไม่ได้กินไม่ลงหรือไม่อยากกินแต่ทีนี้พอเราเริ่มฝึกเนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่าเออมันจะโปล้นน้ำมาบ้างหรืออาตมาก็เคยบอกพวกเราบางคนว่ากว๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องปรุงบางที กินมันทั้งทั้งทีน่ยนะยันจะจืดๆบ้างมันจะไม่ต้องมีเตอรไม่นัน่นเตอร์ไม่นี่บ้างเนี่ยแล้วเราก็ฝึกวางใจเราโดยที่แม้ไม่อร่อยแม้ไม่ถูกใจเราอะ่ะจริงๆกินๆๆเข้าไปก็เพื่อยังสังขารยังร่างกายนี้ให้มันมีชีวิตอยู่ไม่อร่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมพะถ้าใครเนี่ยเข้าใจและพิจารณาอย่างเนี้ยได้เพิ่มขึ้นได้ชัดเจนขึ้นเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้น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 แก่ได้สวยยังไงก็ตายได้อหรือบางทีเนี่ยสวยยังไงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุโอ้โหพิกลพิการอะไรไปบางคนเนี่ยรักกันจีรักกันจา๋าบางทีเกิดอุบัติเหตุไปหน่อยโอ้บางทีนั่นแหละเลิกรักเลยอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าไอ้ที่เขารักที่เขาติดเขาก็หลงอยู่แต่ไอ้สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเองและไอ้ความต้องการนี่แหละที่ทําให้คนเราเนี่ยทุกอยู่นั่นแหละก็ความอยากให้มัน ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างงี้นะเพราะนั้นอันนี้เราจะล้างราคะนะผู้เจ้าท่านก็สอนว่าให้ล้างด้วยอสุภะนะอันนี้เป็นตัวแรกอันนี้แค่ยกตัวอย่างส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอรตมาก็อยากฝากพวกคุณไปพิจารณาแล้วลี่บอกแล้วนะอสุภะไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายผู้หญิงอันนี้แค่แค่เป็นประเด็นเดียวเท่านั้นเองส่วนคราที่ประเด็นอื่นอื่นอีกอ้าวยกตัวอย่างหน่อยก็ได้อย่างเช่น ไม่ต้องไปเป็นคนนะเป็นข้าวของแล้วก็ยกแล้วนะข้าวของอย่างเช่นแม้แต่เนี่ยต้นไม้ใบหญ้าไอเท่ถ้าเราชอบแล้วก็เป็นลาคะหรือว่าเป็นสุภาษในเรื่องนั้นได้อ่าถ้าเราชอบแต่ถ้าเราไม่ชอบอะ่ะมันก็กลายเป็นอสุภาในเรื่องนั้นเพราะบางทีเนี่ยที่อยู่ที่อาศัยเราก็จะติดแหม ต้องประดับตกแต่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรตามที่เราชอบๆอบนะบางทีใครเข้ามาแตะนี่มาแตะหน่อยหรือมาทำอะไรผิดที่ผิดทางหน่อยโอ้โหโกรธไม่ชอบใจเพราะโดนเปลี่ยนแปลงแล้วนะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันคลายราคาไม่ลงหรอกแล้วคนเราเนี่ยจะไปรักจะไปชอบอะไรต่ออะไรไม่ใช่อยู่ดีก็ก็เป็นมันสะสมสะสมความเคยชิน สะสมความติดความหลงเนี่ยมันสะสมมานานวันนานเดือนนานปีนะจนกระทั่งคุณเนี่ยไปติดอย่างนั้นวันครานี้พอเวลาจะถอนโอ้โหมันง่ายที่ไหนล่ะว่ามันจะถอนยากคราวนี้เนี่ยเริ่มย้อนมาดูที่ตัวเรามาดูที่สุภากะอสุภะของตัวเรานะไปพิจารณาดูอะไรที่เราชอบอะไรที่เราชัง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 มันติดมากๆมันหลงมากๆมันยึดมากๆพอไปลากไปติดไปหลงไปอะไรแล้วมันยึดมากๆเลยเพร้ะนัไข่เนี่ยพอจะมาทําให้ไอ้สิ่งที่เราหอบหวงเอาไว้เนี่ยที่เรายึดถือยึดคลองเอาไว้แม้จะต้องสูญเสียไปหรือจะต้องโดนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแต่คราวนี้จิตมันจะทุกข์มันจะทุกข์มันจะกลัวความสูญเสียกลัวเดี๋ยวไม่ได้มาอีก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 แต่ถ้าคุณไปเจอใครที่โอ้โหตรงกับที่คุณอุปทานที่คุณสะสมมานี่น้ำมากเหลือเกินพูดง่ายๆว่าถ้าคัดเป็นคะแนนแล้วโอ้โหคะแนนแหมเก้าสิบงี้อ้ำเก้าสิบกว่าเกือบเต็มร้อยแล้วนะโอ้โหคนนั้นน่ะเป็นสักยะของคุณเลยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกิเลสใหญ่ของคุณเลยละเพราะงั้นคราวนี้คุณดิ้นหลุดยากเรียกว่าคุณต้องสู้กันหัวชนฝาเลยละ่ะ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 หนักนวงต้องสู้กันแบบจริงจังแล้วก็ส่วนใหญ่อาตมาบอกเลยส่วนใหญ่โหกว่าชนะได้คือขึ้นคอเลยคุณอา้าวอย่างใครไปติดจริงๆสิคุณไปพิจารณาก็ได้เรื่องอะไรที่คุณติดมากๆคุณจะรู้เลยว่าสู้ยากยากมากๆอยา่างบางคนอ้าวพูดง่ายติดขนมสักอย่างอย่างเงี้ยติดมากๆติดมากๆนะขนาดโอ้หตั้งตาบะก็แล้ววันนี้ก็พยายามบอกเพื่อนฝูงด้วยนะไปด้วยกัน บอกช่วยนะช่วยนะถ้าเกิดมือมันจะเลื้อยไปนี่นะมันจะไปหยิบเนี่ยนะช่วยเตือนเลยนะช่วยบอกเลยนะแล้วก็ช่วยห้ามนะอย่าให้มือมันเลื้อยไปอา้าวขนาดนะั้นคุณเตือนคุณบอกคุณอะไรอย่างนี้ไว้เรียบร้อยนะโอ้โหพอถึงเวล า, าจริงๆไปเห็นเขาเนี่ยขนาดคุณตั้ง ต, งตะบะเอาไว้นะสติก็มีอยู่นะรู้อยู่นะแต่อู้โหคุณจะเห็นเลยว่ามันสู้อย่างอะไรอะทรมานใจเหลือเกิน เพราะว่าแมมันอยากจะทําอย่างนั้นให้ได้อยากจะกินไอ้อย่างที่เราชอบนั้นให้ได้เลยเผลอไม่ไนะบางทีเผลอไม่ได้เอ้ามาอยู่ในชามแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยนะมันมาได้ยังไงเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกพวกเราเลยณขณะต่อให้คุณตั้งจิตตั้งใจจะสู้กับบันจริงๆยังจังนี่ยังไม่ง่ายเลยไอ้ตัวศักกายนี่มันยากมากเพรๆวันถึงบอกว่าพกใครเนี่ย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 ต้องอธิษฐานอธิษฐานเลยนะโอ้ oh, ต้องอธิษฐานว่าไออย่างเนี้ยต้องเอาชนะมาให้ได้บางคนเนี่ยกูเห็นมาแค่เขาติดเหล้าหรือติดปุ๋ยไอที่หยับหยาบเนี่ยเอาไปยมุกหยับหยาบไอเราเองเราไม่ติดใช่ไหมเรากไ็ไม่เห็นใจไปยากอะไรเลยมันง่ายอะเราถึกมันง่ายจริงๆเราเลิกมาได้นานแล้วเราก็เลยว่ามันง่ายแต่ไอคนที่เขากําลังติดอยู่เนี่ย เ, เขาติดมาก เวลาเขาจะเลิกเนี่ยโอ้โหคุณคุณไปดูสิโอ้เวลาเขาลงแดงก็มือสั่นเขาอะไรต่ออะไรนะหเดินพล่านเลยนะไม่ได้สูบหรือว่าไม่ได้กินนี่เขาพล่านเลยอะแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเห็นทุกข์ของมันนะว่าเนี่ยดูที่โอ้โหพอไม่ได้มันเข้ามานี่มันออืมันทรมานทรมกรรมยังไงมันน่าจะเห็นไอเชื้อของสารเคมีเชื้อของอะไรต่างๆที่มันเข้ามาสิงในกายบ้างสิงในจิตเราบ้าง จนทําให้พอนึกอยากจะเลิกนี่มัน ม, มันยากเย็นแสนเข็ญเหลือกเกินเพราะนั้นพออย่างเนี้ยแล้วเราถึงจะเห็นชัดว่าเออของใครก็ของคนนั้นเพราะนั้นใครติดอะไรมันก็ยากสําหรับคนนั้นพูดง่ายว่าคุณจะฆ่ามันเนี่ยจะมาเคยพูดให้พวกเราฟังไปครั้งหนึ่งคุณจะฆ่ามันนี่นะคุณต้องเหมือนกับนิทานของฝรั่งเขาอะที่ที่แจ็คแจ็คฆ่ายักษ์อะ จริงๆแล้วโอ้โหไอตัวกิเลสเราที่ตัวร้ายแรงเนี่ยมันเหมือนกับยักษ์ไอเราเนี่ยเหมือนกับแจ๊กกับแจ๊กก็คือคือเป็นเด็กเป็นคนตัวเล็กๆนี่เองโอ้โหจะฆ่ายักษ์ได้เนี่ยคุณต้องภาคเพียนคุณต้องพยายามคุณต้องอดทนต้องต่อสู้นะสู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีกแม้อะไรพุทธเจ้าใช้แม่น้ําตาจะนองหน้าก็ตาม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 แมก็จะพยายามก้มหน้าก้มตายยังไงก็สู้แล้วไหนที่สุดอ่ะกิเลสตัวไหนก็ตามใหญ่เท่าฟ้าเลยเ อ, อ้าไม่ต้องใหญ่เท่ายักษ์อ่ะกิเลสตัวไหนก็ได้ใหญ่เท่าฟ้าเลยแต่ไหนที่สุดแล้วชนะได้ทุกตัวถ้าคุณสู้ชนะได้ทุกตัวเพียงแต่ว่าชนะเมื่อไหร่เท่านั้นนะ <laughs> ชาตินี้หรือชาติไหนเท่านั้นแหะแต่ชนะได้แน่นอนทุกตัวเพราะว่าถ้าชนะไม่ได้เนี่ย จะไม่มีคำพูดว่าทุกคนสามารถเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะจริงๆทุกคนเป็นพระอาหารหันต์ได้ทุกคนสามารถชนะได้ทุกคนแต่คนที่ยังไม่ชนะเนี่ยเพราะสู้ๆไปหน่อยขอี้เกียจสู้สู้ๆไปหน่อยเอาจริงเอาจิงเอาจิงแต่สู้ไปหน่อยแล้วมันยากไงมันลาบากไงมันต้องฝืนใจเนี่ยเพราะงั้นขี้เกียจสู้แล้วแพ้ยอมยอมแพ้ ขี้เกียจอ่าอมาเคยพูดให้ฟังว่ากลัวความลาบากแล้วก็ติดสบายนะสองอันนี้ที่ทำให้เลิกสู้ได้อย่างรวดเร็วกลัวลำบากเราบอกแล้วว่าอันนี้ต้องลำบากมากๆคุณสู้กับยกักษ์อ่ะคุณว่ามันไม่ลำบากได้ยังไงอ่ะมันต้องลำบากแน่นอนเพราะฉะั้นคุณตั้งจิตไว้เลยว่าคุณกาลังสู้กับยักษ์เพราะมบากมากๆ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 เราเลิกคำว่าเลือกทํากันหมถึงก็กลับไปทําอย่างเก่าฮ้อนสองคำนี้จําให้ดีพูดบ่อยมากเลยว่าเพราะกลัวลําบากกับติดสบายกลัวลําบากในสิ่งที่เราจะทําต่อไปนี้นี่คือกลัวลําบากในสิ่งนี้ติดสบายคือนึกไปถึงราคะน่ยความยินดีความพอใจที่มันผ่านผ่านมาแล้วอะที่เราเคยได้รับความสบายในกิเลสเรื่องนั้นๆ นะกับกลัวลำบากที่เราจะต้องทำในปัจจุบันนี้กับทำต่อต่อไปเรากลัวลำบากในอนาคตอันนี้ในปัจจุบันอันนี้เพราะนั้นถ้าส อ, สองอันนี้นะทำงานขึ้นมาทางานขึ้นมาแล้วนะเดินเครื่องติดแล้วก็คุณเริ่มฟอ l ลงไปเรื่อยละใจที่คุณจะสู้เนี่ยจะเริ่มหดลงหดลงบอกแล้วในที่สุดก็ขี้เกียจสู้หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะสู้เพราะ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 ว่นคุณจะวางใจในสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคุณจะปล่อยในสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นคุณจะไม่ต้องไปหอบไปหวงไม่ต้องไปหึงไปหวงเพราะฉะนั้นนะ่ยคุณคิดดูสิข้าวของเงินทองวัตถุบุคคลอะไรก็แล้วแต่อาชีพการงานถ้าคุณเนี่ยแหมไม่ต้องไปติดยึดไปหลงไหลอะไรกันกนักนะบางทีเอ่ยโดนเขาโกงบ้างโดนเขาแกล้งบ้างหรือบางที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 พ้นชีวิตคุณเนี่ยคุณเจอสิ่งที่ดีก็ตามคุณเจอสิ่งไม่ดีก็ตามคุณเริ่มจะวางใจได้ได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่เราขี้เกียจ น, นะเราก็คงขยันอะไรที่ดีๆเราก็ยังยังจะทำแต่ในขณะที่คุณกำลังทำดีไปเนี่ยคุณจะต้องเจอไนี่คุณจะต้องเจอความลาบากบ้างเจอโดนแกล้งบงเจอโดนดามั่งเจอโดนว่าบ้างเจออะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจเราบ้าง ถูกใจก็มีไม่ถูกใจก็มีแต่ในขณะที่คุณเจอนี่ยเราทําใจได้เพราะเราเรารู้ทั้งสองมุมแนละ้วไอ้มุมที่ไปติดไปหลงก็ทําให้ทุกข์จริงๆแล้วไอ้มุมที่เกลียดชังก็ทําให้ทุกข์แต่ที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ตอนตอนเนี้ที่เรามาล้างความยินดีพอใจด้วยความมองเห็นถึงความไม่ยินดีไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจ มันเลยทําให้เราเนี่ยเห็นทั้งสองมุมแล้วเรารู้ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปมีทั้ง2 อ, อย่างนี้แล้วเราเองเราก็จะวางใจได้ซึ่งอันนี้แหละจะเป็นประเด็นสําคัญจะเป็นตัวสําคัญอันนี้เนี่ยเป็นแค่ประเด็นแรกเท่านั้นซึ่งจริงจเนี่ยเราได้ได้ยินมาบ่อยแล้วนะอสุภะเนี่ยจเจริญอสุภะเพื่อละราคะเดี๋ยวยังจะมีข้อต่อๆไปอีก อีก3อัน